45. สภาวะธรรมของจิตตอนจะตายวงเล็บเปิด 16. มกราคม2550นาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที14วงเล็บปิดเวลาที่เราจะตายจริงๆนะใจมันจะอยู่ตังหากร่างกายก็เจ็บไปเรื่อยๆใจไม่เกี่ยวกันเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะตัดความรับรู้ทางกายไปเหลือแต่ใจอันเดียวแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ให้ชำนิชำนาญเกิดปุ๊บปั๊บจะตายใจมันถอดถอน มันทิ้งกายนะไม่ต้องกลัวว่าเจ็บจนขาดสติไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเวลาเจ็บสุดขีดแล้วมันจะทิ้งไม่มีกายจะเจ็บแล้วตัดความรับรู้หดตัวเข้ามาเหลือแต่จิตถ้าเราฝึกชำนิชำนานใช้ได้ถ้าฝึกไม่ชำนิชำนานมันไม่ย้อนเข้ามาที่จิตมันกระจายออกไปข้างนอกไปเห็นนิมิตต่ตางๆขึ้นมานิมิตที่เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างเป็นอดีตเช่นเคยทากรรมเอาไว้ไปเห็นข้าเป็นอนาคตเช่นเห็นที่จะไปเกิด เพราะฉะนั้นเราฝึกไปในที่สุดจิตกับกายมันไม่เกี่ยวกัน